ขอความเจริญในธรรมยึงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่รมพระโพธยิาณยในวันนี้ก็จะพูดเรื่องทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียดก่อนการจะสรุปก็เป็นอีกในยะหนึ่งนะฮะโดยเช่นว่าวันก่อนเราพูดถึงกันห้าจริงมันก็มีเวทนาอยู่แต่ว่าโดยสภาพจิตของสัตว์โลกเนี่ยเมื่อเราเรียงแล้วเนี่ย ไปรูปกเวทนาเนี่ยมันมันเกี่ยวโยงถึงกันได้ว่าความประณีตแตกต่างกันเพราะระดับกำลัดเพลิดเพลินในโลกเนี่ยมันจะอยู่แค่สวรรค์ก็พูดง่ายๆว่าก็ประมาณหกชั้นเจ็ดชั้นนะฮะจากมนุษย์ไปมนุษย์แล้วสวรรค์หกชั้นเนี่ยก็เพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในรู ป, ปรธรรมที่มีความประณีตแตกต่างกันขึ้นไปส่วนระบายสี่ก็คงไม่ติดใจอะไรนะก็มีแต่ทุกข์ ทุกมากหรือทุกน้อยท่านนั้นเองพอมาถึงระดับพรหมเนี่ยมันจะติดสุกเวทนาก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆก็ติดอยู่ในสุขเวทนาทั้งหลายจนถึงรู ป, ปรพระมสูงสุดมันก็อยู่ที่สุกเวทนาเทียนแต่ว่าอาการนิจติดมันไม่มากท่านั้นเองเพราะว่าท่านเป็นปรนารามี ก็แสดงว่าใจของคนเราพอศึกษาค้นคว้าไปเห็นโทษของรูปมาระดับหนึ่งเนี่ยแทนที่จิตมันจะเป็นหนายที่เวทนาทัณหาทั้งการวิญญาณเนี่ยซึ่งก็ตกอยู่ในกระบวนการเดียวกันเนี่ยจิตมันกระโดดเกาะที่เวทนาเอาแล้รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาก็จริงแต่เวทนาล่ะเวทนาเที่ยงเป็นสุขไม่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแก่ก็ข้าเวทนาของแก นะเราลองสังเกตว่าความเชื่อในแนวเทวนิยมทั้งหลายเนี่ยมันคือต้องการสุขเวทนาที่ถาวรมีผู้เสวยมีการเสวยมีผู้เสวยมีเวทนาให้เสวยก็มีตัวตนสิ่งจะติตยอยู่ในตรงไหนก็ไม่รู้แห ล, ละก็แล้วแต่จะเรียกเขาเพราะถ้าเราดูแนวตรงนี้เราเห็นว่ามันก็แนวเดียวกับคำสอนที่ เ, ก, เกี่ยวกับอาญาตนานิพพานเนี่ย หมายความว่ามีตัวตนไปเสวยสุขเวทนาชัว่วนิรันดร์อยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็ไม่ยอมขยับเคยื่อนไปไหนไปอยู่กันได้อาจจะ็เยียดกันอยู่ที่นั้นแหละซึ่งไม่ได้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษวะแล้วไปอยู่ทำอะไรมันได้อะไรขึ้นมาที่เสวยเวทนาอยู่คนเดียวโดยไม่ได้แลเหลียวตั้งคนอื่นเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะ ธรรมชาติของมนุษย์มันคิดง่ายนะว่าคุณธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเป็นยังไงเช่นสมมุติเรานั่งรับประทานอาหารวงเดียวกันแต่ว่าคนทุกคนมันก็เอื้อไม่ถึงนะันนะเราก็เจออาหารที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันอร่อยถ้าเราใจแคบเนี่ยคือจะเราเรียบกินคนเดียวปิดเงียบเลยกินคนเดียวกินเอากินเอ า, เอาแต่ถ้าใจเรากว้างเนี่ยเราจะ บอกคนอื่นแล้วก็ส่งตักให้คนอื่นแจกแบ่งให้คนอื่นเพื่อคนอื่นก็ได้รับสัมผัสอร่อยรสอร่อยเช่นเดียวกันนั่นก็คือเวทนาก็คือสุขเวทนานะเพรา ะ, ะจริงๆเราเวได้เวทนาที่เป็นสุขเนี่ยไม่ใช่ไปยึดติดกับคนเดียวไม่ใช่มุ่งเสวยผลเพียงคนเดียวแต่ว่าจะเอื้อต่อบุคคลอื่นกระจายสุขเวทานั้นเราเวทนาเหล่านั้น้แผ่ไปสู่คนอื่น เมื่อสูตรแม่บทก็คือสูตรของพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้านั้นได้การตรัสรู้แล้วก็หมดกิเลสเนี่ยได้สุขเวทนาเป็นธรรมปีติสุขขังเสติสวยวิมุติสุขอยู่ตั้งเจ็ดสัปดาห์นะฮะไม่ใช่เลดก็เกิดกรุณาต้องการที่จะให้ส์ธั้งหลายเนี่ยได้สวยสุขอย่างที่ปรุงได้สวยบ้างนะเพราะนั้นแนวตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าแนวยึดติดแนวอุปาทานนั่นเอง แต่ก็ยึดติดแล้วก็เห็นแก่ตัวนะฮะเพราะงั้นแนวพวกนี้จะปนปลื้อตัวเองจะโลภนะฮะจะโลภจะเห็นแก่ตัวจะไม่คำหนึ่งว่าใครจะเดือดร้อนอยังไงฉันไม่รู้อะแต่ว่าขอให้เธอมาปนปลือฉันก็แล้ว ก, กันบำรุงบำรเรอมุ่งให้คนอื่นบำรุงบำรเรอเพราะตัวเองจะสวยสุขเวทนาอยู่พอใจติดใจสยบติดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในสุขเวทนาตรงนั้น วันพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้จัดสรุ้แต่ต้องจับประเด็นให้ได้นะว่าคําบางคําเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเป็นคําซึ่งทรงเรียกเมื่อได้จัดสรุแล้วสมัยนั้นชื่อก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะชื่อนี่ทรงบัญญัติเรียกขึ้นแต่ว่าเป็นผลสรุปโดยผลตรงมาจากการจัดสรุปเป็นการเรียกถึงสภาวธรรมเหล่านั้นตาม ลักษณะตามสถานภาพของมันก็ เ, เป็นยังไงก็เรียกไปอย่างนั้นก็รับสั่งว่าครั้งก่อนแต่การศัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ศัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะะคือจะต้องทรงเน้นตรงนี้ตลอดตรงเน้นตรงนี้นําไปก่อนตลอดปรเดี๋ยวจะเกิดสับสนนะประเดี๋ยวจะเกิดสับสนบอกเอ๊นี่พูดยังไงเช่นสมมติมว่าพระเราเล่าไปเล่ามาเนี่ยมัน ถึงจุดหนึ่งนี่เรายัางไม่บวชตอนนั้นว่าตอนอาตมาเป็นค า, ารวะต้องพูดว่าตอนอาตมาเป็นค า, ารวะนะต้องบอกไว้เพราะอะไรเพราะไม่ไเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบโลกอาจจะไปดื่มเหล้าอาจจะไปเที่ยวเล่นการพ น, นันอาจจะไปโน่นไปนี้อะไรอะไรซึ่งพระทําไม่ได้อ่ะแต่ว่าตอนนั้นเราเป็นค า, ารวะตอนนั้นเราเล่นบทค า, ารวะเราก็ทําได้อ่ะแต่เราก็เห็นโทษเห็นขุนเห็นโทษอะไรต่างๆแปลว่าตรง น, นั้นเรายังเป็นค า, ารวะอยู่ คนเราก็รับฟังในฐานะที่เราเป็นคณะวา่านแต่ถ้าไม่ไปตัดตอนออกก็นึกว่าเราเป็นพระเป็นระก็เลยยุ่งเลยสิเพราะเอพระทําไมไปอย่างนั้นล่ะพระทำไมไปทําอย่างนั้นได้ล่ะพระพุทธธรรมศาหตั์ตรงนี้จึงเน้นย้าเพื่อไม่ให้อกณษณและจิตเกิดขึ้นแก่ผู้ฟังเพราะถ้าไม่บอกไว้ก่อนก็เป็นนึกว่าสมัยเป็นสมัยยัง สมัยที่เป็นหลวพุทธเจ้าแล้วนะโดยก็ต้องบอกทุกครั้งก่อนแต่การจัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้จัดสรู้นะมีสองอย่างก่อนในการจัดสรู้คือเรายังไม่ได้จัดสรู้แล้วก็เป็นอะไรดับเป็นพระโพุทธศาสตร์อยู่ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นเวทนาอะไรเป็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นปฏิภาถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาอะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนา อะไรเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาทั้งสองลองสังเกตนะ่ะสัมนว a ในต่างกันไปแต่ก็คืออะไรก็คืออริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการประการแรกก็คือเวทนาเวทนานั้นก็คือเป็นตัวทุกข์สั์เวทนาคืออะไรเวทนาคือความสวยอารมณ์สุกตามทุกข์ตามไมทุกข์ไปสุกตามแต่ว่า มันอาจจะได้ยินโส ม, มนัสอาจจะรินโธ ม, มนัสอาจจะินอุเบกขาอะไรก็ตามนะะเป็นการขยายออกไปจากความสุขความทุกข์สมมติว่าเวทนาตามปกติเราจะพูดสามนะฮะสุขทุกข์อทุกขมัสุ ข, สขคือไม่ทุกข์ไม่สุขแต่บางทีก็ขยายเป็นเวทนาหสุขโส ม, มนัสทุกโทมนัสอุเบกขาเวทนาเห็นไหมไม่มีอทุกขมัสุขเพราะอาทุกขมัสุขนั่นะคืออุเบกขานั่นเอง แต่ว่าสุขนั้นหมายเฉพาะสุกกายแล้วเพราะมันมีโสมนัติอยู่ด้วยแล้วทุกก็หมายเฉพาะทุกกายแล้วเพราะมันมีโทมนัติอยู่ด้วยวันองค์ธรรมทั้งหลายเนี่ยคือถ้าจํานวนธรรมมากนะจํานวนองค์ธรรมมากเนี่ยกรอบมันจะแคบลงแต่ถ้าจํานวนองค์ธรรมน้อยเนี่ยกรอบเขาจะกว้างนั้นคือจับประเด็นได้เลยเดี๋ยวตัวอย่างง่ายๆอย่างในศีนสมาธิปัญญาในกรอบมหาศาลเลยนะกรอบคลุมพื้นที่หมดเลยตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ย แสดงว่าศีลสมาธิปัญญายังไม่สมบูรณ์หรือ ว, ว่ากรอบข้องคำว่าสัพพา ป, ปสัสสะกะรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงในคำเดียวนะฮะคาเดียวแต่กรอบใหญ่มากเลยเพราะบาบใดที่ยังทำบาปแม้ด้วยความคิดเนี่ยก็ยังชื่อว่ายังไม่งดเว้นบาปทั้งปวงทำกุศลสมบูรณ์ก็เหมือนกัน เป็นการกระชับที่ความเป็นภาษาเป็นหลักทางนิรุติศาสตร์อย่างเยี่ยมมากเนะคือถ้าคนที่ไปอ่านไปศึกษานิรุติศาสตร์ตรกกษัตร์นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าในพระธรรมเทศนามีความเป็นนิรุติศาสตร์ที่เรียกว่าศาสตร์ถังสะพยัญชนะงเกวเวลาปริบุญนงังบริสุทธิ์ธรรมประมจจรยอย่างประกาศเสสสิส่งประกาศพรหมจาริสุทธิปริบุญสิ้นเจิงสมบูรณ์ในอัฏถะและประหยัญชนะนี่ แล้วก็ส่งแน่ๆลักษณะของเวทนาก็คือสุขทุกข์กขับมสุขที่นี่อะไรเป็นความเกิดเพราะแห่เงเวทนาล่ ะ, ละเราเหนว่าถ้าเรามองให้ยาวเนี่ยะมองให้ยาวเป็นกระบวนการมันเกิดขึ้นจากอายตนะภายในภายในร่างอกององกว่าบรรจบกันจนเราเห็นรูปด้วยตาเนี่ยแล้วรูปเหล่านั้นเราจําไว้ภายในใจเราก็เพลิดเพลินไปสบความสุขความทุกข์เพราะรูปโดดนั้น เช่นสมมติเราเคยประสบความสุข ร, รูปเหล่านั้นพอเห็นรูปปั๊บเราก็เกิดดีใจเลยการดีใจนั้นไม่ใช่ดีใจเฉพาะปัจจุบันแต่เป็นความรู้สึกในอดีตคือเวทนาสุขเวทนาในอดีตกับความจําสุขเวทนาในอดีตมันก็ออกมารับอารมณ์เหล่านั้นพนนี้ก็ทําปฏิกิริยาต่อกันก็เกิดสุขเวทนาเกิดดีใจที่ได้พบได้เห็น ทีนี้ในกระบวนการกว่าจะเป็นเวทนาเนี่ยมันอายตนาภายในภายนอกมาประจุกันมากระทบกันเนี่ยเราเรียกว่าวิญญาณแปลว่ารู้รูปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้เย็นรู้ร้อนแข็งทีนี้สามประการเนี้ยมันกลายเป็นสัมผัสคือการกระทบอายตนาภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยมากระทบกันเราก็เรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะทีนี้จากผัสสะเนี่ยมันก็กลายเป็นเวทนา เวทนาก็คือจิตเสวยอารมณ์ตามที่เราเก็บสะสมไว้หรือตามตามที่เรากําหนดในขนาดนั้นสุกตามทุกตามไม่ทุกข์ไปสุกตานะฮะโดยทั่วไปแล้วเขาก็ไม่แสดงพิสดานะแสดงพิสดานเป็นการแสดงที่อภิธรรมแต่ก็กระจิงมันก็จําไม่ค่อยทันนะ่ะจำไม่เก่งได้ทีนี้การที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะเรากําหนดเอาการที่เป็นสุขเรากําหนดเอาเพราะว่าเวทนามันเป็นทุกข์สัตย์ แต่ว่าท่าทีต่อเวทนาเนี่ยมันอาจจะเป็นมรรคศาสตร์ก็ได้นะอาจจะเป็นสมุทัยศาสตร์ก็ได้แต่ในที่นี้ในโครงสร้างนี้นะฮะพูดถึงสมุทยัยพูดถึงสมมาทัยเพราะว่าเป็นเหตุให้เกิดให้เกิดความสยบติดเป็นความเกิดพร้อมกับเวทนาก็เกิดขึ้นจากตัณหาเห็นไหมที่เราอะไรนะในปฏิจจสมบัตินะฮะสัมผัสสัมผัส เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานมันก็เกิดเป็นกระบวนการเหล่านี้ทีนี้อะไรเป็นความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอันนี้ก็คือนิโรดน่ะ น, นะเราเรียกทีหลังก็คือเรียกนิโรธและเรียกนิพพานเราจะเห็นว่านิพพานเนี่ยท่านก็มีอารมณ์ที่กระทบอยู่นะครั่าอราหันเนี่ยแต่ท่านไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรท่านอยู่ได้ธรรมปีติแต่ไม่ได้ ตัวนั้นไม่ได้มีอิทธิพลสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรแก่จิตใจของท่านนะฮะเป็นได้สุขให้ทุกขยินดียินร้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าเหมือนกนอาบเเกิดลาบยศสนเสริญสุขขึ้นมาแก่ท่านเนี่ยปัญญามันเกิดรู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแกท่านแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะเมื่เกิดมันก็เกิ ด, น, กดนะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับไปก็ดับไปอะไรเป็นข้อปฏิบัติให้ ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอันนี้ก็คือมรรคกันนะพูดเรื่องมรรคเราจะเห็นว่าโบหารตรงนี้ถ้าเรากลับไปดีบางทีอาจจะเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนชื่อหมดเลยอะไรเป็นอาสวะอะไรเป็นเหตุเกิดของอาสวะอะไรเป็นความดับของอาสวะอะไรเป็นเหตุให้ถึงซึ่งความดับอาสวะก็ไม่มีอะไรอีกก็คืออรมิมรรคในองค์ประกบการแล้วก็มองในแง่ของความเป็นโทษแล้วก็เครื่องพ้นไปจากเวทนา เวทนาเป็นโทษก็คือพวกทุกขเวทนาทั้งหลายนะที่มีลักษณะเสียแทงเสียแทงด้วยประการต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโทษที่ชัดเจนนะโดยเฉพาะทุกขเวทนาเนี่ยเป็นโทษที่ชัดเจนสุขเวทนาเป็นโทษที่น่ากลัวนะเพราะว่าทําให้เพลินเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะถ้าเราเทียบเนี่ยประเทศในโซนอบอุ่นกับในโซนหนาวกับโซนร้อนโซนร้อนเนี่ยมันหนักไปหน่อยโซนหนาวเนี่ย มันทำให้คนดิ้นรนต่อสู้กับความหนาวเพร้นเศรษฐกิจในเมืองเหล่านั้นจะดีเพราะถ้าไม่งั้นเธอจะอยู่ไม่ได้ในโซนอบอุ่นเนี่ยคนจะเคลื่อนไหวต่ามันก็เพลินๆอนนะ่ะมันก็อยู่เพลินๆสนุกสนานไปเบิกบานไปแช่มชื้นไปก็ไม่ค่อยติดใจอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยจเจริญรุ่งเรือ ง, องในด้านเศรษฐกิจทีนี้เราเอาในส่วนที่ทรงคิดเองสมัยนั้นนะนะที่คิดเองเนี่ ก็รับสั่งล่าว่าพิสูจนทั้งหลายความรู้ข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเวทนาสามอย่างเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกเวทนาทุกกมสุขเวทนาเหล่านี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นพร้อมแห่งปัจะอย่าอธิบายแล้วนะคัตัณหาเป็นปฏิปทาให้ถึงความเกิดขึ้นพร้อมแห่งเวทนาหมายความว่าเวทนามันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดตัณหาเกิดมา เพราะตัณหาผมก็มีสามเห็นไหมว่าความรู้สึกส่วนหนึ่งก็คือฟ้าหมับเลยเป็นกามตัณหาเพราวะวตัณหาแต่บางยามก็ปฏิเสธเลยกระผลกอเลยก็กลายเป็นวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาแต่อย่าลืมว่าเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหานะพวกนี้เป็นปัจจัยของการอะไรกันเราดูตัวอย่างง่ายๆนะดูตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเรากินอาหารอร่อย มีคนไปพันนาคุณอาหารอร่อยมากเลยแล้วเราเกิดอยากเกิดอยากกินอาหารเหล่านั้นแสดงว่าตรงนี้ตันหาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาทีนี้ต่อมาเรากินแล้วเรากินแล้วเวทนาเหล่านั้นความอร่อยเหล่านั้นเราก็เก็บไว้ภายในใจเป็นสุขเวทนาเป็นสัญญาเป็นความจำว่ารสชาติอร่อยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อมาเราเกิดอยากกิน ตอนนี้ยเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาผู้นี้ก็ก็แล้วแต่นะะก็แล้วแต่จะจับคู่ตรงไห น, นบางทีก็จับคู่ยากมันก็ไก่ก็ไข่นะฮะที่จริงเราจับได้แต่เราต้องจับเป็นคู่เดี๋ยวถ้าพูดได้มั่วมันก็มั่วเหมือนกันถ้าจับระหว่างไข่ไก่ที่แม่ไก่มันไข่ออกมากับแม่ไก่เนี่ยถามว่าอะไรเกิดก่อนเนี่ยมันก็ตอบได้ หรือว่าพูดถึงลูกไก่ที่ฟักออกมาจากฟองไขว่าอะไรเกิดก่อนนั่นี่มันพูดได้แต่ถามว่าไก่ทั้งหมดกับไข่ทั้งหมดอะไรอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนั้นมันพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้เพราะว่าต้องตัดตอนต้องจับคู่ให้ได้เพราะาในในแนวของ ของเวทนากับตัณหาก็เหมือนกันว่าตัณหาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาก็มีเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็มีแต่ว่าในที่นี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตัณหาเป็นปฏิปาสให้ถึงความเกิดขึ้นพราะเหงเวทนาความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งพัทธะหมายความว่าผัทธะในมันมันไม่ดับหรอกแต่ว่าใจไม่กําหนดด้วยความกําหนัดด้วยความขัดเคือง มันก็ทบกษัิกแต่ว่ากระทบอะรูปกสักแต่ว่ารูปเสียงกษักแต่ว่าเขยงกลิ่นกษักแต่ว่ากลิ่นรสกษักแต่ว่ารสสัมผัสกสักแต่ว่าสัมผัสมันก็เฉยๆไม่ยินดียินรายอะไรก็เวทนามันก็ไม่เกิดไม่เกิดสุกเวทนาในขณะที่คนกําลังเพลิดเพลินชื่นชมกันอยู่เนี่ยถามว่าความรู้สึกเหล่าเนี้ยคนขนาดเราๆเนี่ยทำได้ไหมทําได้บางระดับ เห็นไหมว่าแม้สัมผัสกระทบแต่เราก็ไม่ยินดีในสัมผัสเหล่านั้นนะจะ่ น, ะนดเดินไปในห้างสรรพสินค้าเจ้าปูประมาห้างสรรพสินค้ามายังไม่เคยเข้าเลยแนตะแต่ว่าเราก็อ่านหนังสือนะฮะอ่านหนังสือเราก็รู้ว่ามันมีสินค้ามากอย่างนีน้เราก็มีกองสินค้าเยอะในบางส่วนเนี่ยเราไม่ยินดีเลยตอนนั้นก็สัมผัสเราก็ดับ เห็นมเพราะว่าอายตนะตาเป็นต้นเนี่ยไม่ดูไม่ดูไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดวิญญาณก็ไม่เกิดสัมผัสไม่เกิดสัมผัสก็ไม่เกิดเวทนาเหไมไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดตัณหาตุกตากองเป็นภูเขาเลยไม่อยากได้เลยนะบางทีมียาบ้าเขาขายเกลื่อนไปหมดเราก็ไม่อยากได้มีอะไรต่างๆนี่เยอะเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าเราก็เดินไปเฉยๆแล้วก็บางทีก็นึกสลดสงสารเขา สงสารเขาสงสารทั้งคนขายสลากินแบง่งสงสารทั้งคนซื้อสลากินแบง่งแต่เราเองไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากเล่นสลากินแบ่งแบบนะั้นหรือว่าเห็นก็สูบบุหรี่บุหรี่มันก็เป็นสัมผัสนะสหรับคนที่ก็สูบเขาเรียกว่าเป็นสุขเวทนาเขาเหมือนกัน แต่เราไม่สูบเห็นไหมมันก็ดัดสัมผัสพอดับสัมผัสก็ดับเวทนาดัดเรทนามันไม่มีตัณหาอยากสูบอะก็ดับไปหมดเลยแต่ทีนี้ถ้ามีตัณหาตัณหาอยาสอส ก, ก, า ก, ก, าก ส, กกสากูบขึ้นมาพอสูบมันก็เกิดเวทนาเกิดไปไม่ใช่มันจะเกิดปัจสาขึ้นมาเห็นไหมปัจสาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาแล้วมันเกิดปัจสากการกระทบขึ้นมาพอกระทบขึ้นมามันเกิดเป็นเวทนาเวทนาก็อยากสุบต่อ วันนี้ก็สูบไปวันก่อนไปเจอพระองค์หนึ่งหนุนตาแกบอกว่าตอนแกทำงานเป็นราชการน่ะกินกาแฟาวันหนึงยี่สิบถ้วยนึกสยองเลยแล้วไม่ได้ถามแกหรอกว่ากินยังไงตั้งยี่สิบถ้วยกนะ็ แ, แสดงว่าก็เป็นสุขจากการได้กินอย่างนั้นแต่พอไปบวชแล้วก็มองเห็นโทษนะมองเห็นโทษก็เลิกกินไปเลยทีนี้ มรรคกันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองเป็นปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาก็เกิดไอ้มรมักมีองค์แปดประการะโดยเจนว่าอเรมักมีองค์แปดประการถ้าเรามองในแง่มุมของประวัติศาสตร์ตอนนั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะฮะตอนนั้นอยงทร ง, งรพงเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ดังยังไม่ได้สัสรูุเพราังนั้นในชื่อเหล่าเนี้ยเป็นชื่อที่ทรงเรียกทรงเรียกเมื่อตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะ เป็นคําบัญญัติบัญญัติเรียกเอาก็ธรรมะเหล่านี้เขาก็มีอยู่แล้วแต่เขาชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้นะฮะพรเจ้าก็เรียกโดยภาษาบาลีนะถ้าเรานึกดูว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผร้หลังล่ะเรียกชื่ออย่างนี้หรือเปล่าก็เปล่าก็ชื่อนั้นก็เรียกตามสภาวะของมันจะ แ, แสดงอรมิมักไปองแปประการนั้นมันไปดับที่ไหน เราจะเห็นว่าถ้าสมบูรณ์แล้วนี่ดับได้ทุกจุดนฮะดับที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกที่วิญญาณที่สัมผัสที่เวทนาที่วิตกที่วิจารที่ตัณหาที่อะไรมันก็ดับได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันจะเป็นอัตโนมัติเวลากระทบอะไรมันก็ตกไปตกไปตกไปคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆกับศีลาแท่งทึบอะไรไปทุบกระดา ก็ไม่ได้วันไหวอะไรกับเรื่องเรานั้นแต่ว่าต้องการทาได้สมบูรณ์เราอย่าลืมมาขนาดสัมมาวจาสมากรรมันดาสมาชีวะเนี่ยยังวันไหวนะยกหวันไหวไปสมมาสติสมาสัมาทิสัมมาวามุตสมาสติสมาสมาธิก็ก็อยิงที่ยิ่งยังวันไหวต้องสมาทิฏฐิสมมาจังกะปะต้องสมบูรณ์ด้วยจึงจะถอนรากถอนโคนคือไม่มีเชื้อ เป็นการดับโดยไม่มีเชื้อแล้วเวลากระทบอารมณ์ก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับมแมลงวันหยดไข่ลงในแผ่นกระจก mm hmm. ก็ไม่กลายเป็นไข่ขางไม่กลายเป็นหนอนเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันไม่มีเชื้อจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงอะเรมาสไปองแปดประการก็มีลักษณะอย่างนี้น mm hmm. พราอถ้าปฏิบัติได้สมบูรณ์ มันก็กลายเป็นความดับโดยไม่มีเชื้อเลยอยู่แล้วก็ส่งแสดงว่าสุขสมมัสใดๆที่อาศัยเวทนาแล้วเกิดขึ้นสุขและสมมัสนั้นแหลเป็นรสอร่อยของเวทนาที่เรารู้สึกเป็นสุขนะเวทนาแล้วก็รู้สึกเป็นรสอร่อยและเพลินนะฮะพอลองสังเกตว่าอันตรายทั้งหลายที่เรืออะไรล่ะอะไรภาปยน์ดังเรือไทตันทิกฮนะ แต่ถ้านี้ก็เห็นว่ามันเพลินนะคนที่เป็นอันตรายเนี่ยส่วนมากจะเพลินเดิอันตรายมันจะมากแต่ถ้าถูกภัยคุกคามุ่มขู่คุกคามอยู่เนี่ยจะมีความระมัดระวังจะมีความจัดเตรียมตัวจะไม่ขาดสติถ้คล้ายๆกันเราเดินสนุกสนานแล้วมีเสือซุ่มอยู่เกิเราเดินโดยโดยระมัดระวัง แล้วก็มีเสือซุ่มอยู่เนี่ยจะต่างกันเดียลอราระมัดระวังเนี่ยเราจะตื่นตัวและจะเป็นอันตรายน้อยกว่าแม้จะเป็นอันตรายก็เถอะแต่ว่าจะเป็นอันตรายน้อยกว่าทีนี้เวทนาเองเนี่ยมันก็ตกอยู่ในกฎของใจรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกเวทนาตาน่างกล่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นโทษเป็นโทษของเวทนา ทีนี้ทำยังไงจะละความกัาหน้าได้มันก็กลับมาตรงนี้กลับัาที่นี่โรดโดยเจนว่าก็คือจะเริยนไปตามหลักกรณีมากไป8ประการไปเรื่อยๆนะฮมันก็จะละพวกเวทนาต่างๆลงไปได้ด้้นในสุดจิตใจก็จะออกจะออกไปจากเวทนาเหล่านั้นจากนั้นก็ทรงสรุปนะฮะจะสรุปก็แบบสรัรโร จยากขูยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราะในาทางต่างหลายที่ไม่เคยฟังมาในการก่อนว่าเหล่านี้เป็นเวทนาเหล่านี้เป็นเหตุเกิดเวทนาเหล่านี้เป็นความดับของเวทนาเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับของเวทนาเนี่ยก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันตรงนี้เราก็คงพูดรายละเอียดหลังจากตรัสรู้นะฮะทั้งหมดเนี่ยจะยกไปตอนตรัสรู้คือว่าเพสูตรที่เอามาเนี่ยเป็นการเล่าตลอดสาย แต่เราตอนนี้เราจะเรียงตามลำดับประวัติศาสตร์เราจะพูดเป็นตอนๆไปตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของอยังไม่ได้จัดสรู้ยังช่วงเป็นพระวัติศัสตร์ก็ศึกษาในแง่มุมต่างๆนะฮะมองว่าทรงคิดค้อย่างไงไม่ว่าตรง น, นี้ที่จริงน่าศึกษาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นโรงยังเป็นสามัญชนยังเป็นปุถุชนเราก็เป็นสามัญชนนะแต่ตอนโน้นท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันขลางกันเกินฮตอนนี้สามารถโดยเสด็จได้ ก็เต็มที่ไม่ได้แต่ว่าใกล้เคียงเข้าไปต้องฟังทั้หลายแต่รลงพ่อพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็งตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุ์ในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี